หัวข้อมหาสติปัทานสูตรตอนทุกขอริยสัจความจริงเกี่ยวกับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขอริยสัจเป็นฉไนแม้ชาติก็เป็นทุกข์แม้ชราก็เป็นทุกข์แม่มรณะก็เป็นทุกขแม้โศกปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาตก็เป็นทุกขแม้ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุก แม้ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปราศนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ชาติเป็นไนความเกิดความบังเกิดความอย่างลงเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะครบในหมูสัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชาติ ก็ชราเป็นชไหนความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมงอกหนังเป็นเกลียวความเสื่อมแห่งอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ในหมูสัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชราก็มรณะเป็นชไหนความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อนความแตกทําลายความหายไปมรรตยุความตาย ความทํากาละความทําลายแห่งขันความทอดทิ้งซากศพไว้ความขาดแห่งชีวิตตินรีจากหมูสัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่ามรณะก็โสกเป็นชไหนความแห้งใจกิริยาที่แห้งใจภาวะแห่งบุคคลผู้แห้งใจความผากนภายในความแห้งผากนภายใน ของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกธรรมะคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าโสกะก็ปริเทวะเป็นไนความคร่ำครวญความร่ำไรรำพันกิริยาที่คร่ำครวญกิริยาที่ร่ำไรรำพันภาวะของบุคคลผู้คล่งครวญภาวะของบุคคลผู้ร่ำไรรำพันของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ถูกธรรมะคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าปริเทวะก็ทุกเป็นไนความลาบากทางกายความไม่สำราญทางกายความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุก์เกิดแต่กายสัมผัสอันนี้เรียกว่าทุก์ก็โทมนัสเป็นไนความทุกทางจิตความไม่สำราญทางจิต ความสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกข์เกิดแต่มโนสัมผัสอันนี้เรียกว่าโทมนัตก็อุปายาตเป็นไนความแค้นความคับแค้นภาวะของบุคคลผู้คับแค้นของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกธรรมะคือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าอุปายาต ก็ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เป็นชไหนะความประสบความพรั่งพร้อมความร่วมความระคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโหภัพะอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาความไม่ผาสุกปรารถนาความไม่กเกษมจักโยคะซึ่งมีแก่ผู้นั้น อันนี้เรียกว่าความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ก็ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์เป็นชนไหนความไม่ประสบความไม่พลั่นพร้อมความไม่ร่วมความไม่ละคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะอันน่าปรารถนาหน้าคร้หน้าพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลปรารถนาความผาสุกปรารถนาความกเกษมจากโยคะ คือมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิดอมาดหรือญาติสาโลหิตซึ่งมีแก่ผู้นั้นอันนี้เรียกว่าความพลัดพราาจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์เป็นชนิดความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋เนอขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดา ขอความเกิดอย่าม okay. <so oh ีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ก็ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋เนอขอเราไม่พึงมีความแก่เป็นธรรมดาขอความแก่อย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนา แม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ก็ความปรารถนาย่ อ, <c oughs> อยมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ้เนอขอเราไม่พึงมีความเจ็บเป็นธรรมดาขอความเจ็บอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สงความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิง่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ ก็ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความตายเป็นธรรมดาขอความตายอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอ ขอเราไม่พึงมีโสกกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาตเป็นธรรมดาขอโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายาตอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ก็โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์เป็นชไหนอุปาทานขันห้า คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เรียกว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจ